ธรรมชาดกแผ่นที่สองลำดับที่สองโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่23กรกฎาคม2554มีชื่อเรื่องว่าอมหมาตมาดเจ้าชู้วันพระขึ้น15้าคำเดือน5้า เป็นวันอุโบสถ ด, ด้วยวันนี้พวกเราได้ลงอุโบสถแต่ขณะนี้เป็นเวลาร่วมกันไหว้พระวฉนนั้นพวกเราผู้ที่เขามาศึกษาก็ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังอาศัยได้ยินได้ฟังครั้งนี้บ้างครั้งหน้าบ้างสรุปแล้วก็คือประสบประการในการได้ยินได้ฟังจากนั้นเมื่อเราได้ยินได้ฟังครั้งนี้ก็ปฏิปตอ แต่ข้าวหน้าออกฟังอีกออปฏิติดปต่อต่อมาหลายต่อมันก็โยงใหญ่หากันได้พร้อมที่จะมีปฏิพานธนสารสมบัติเป็นของตัวเองรู้จักวิธีการเอาตัวรอดวิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามีปัญหาเกิดขึ้นมาเราก็จะได้รู้ปรับปรุงแก้ไขกายว่าใจาใจของเราเพราะว่าพวกเรา ได้เรียนรู้อาศัยประสบการณ์อาศัยการได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์จากเทปจากหนังสือจากตำรับตำราล้วนแล้วจะเป็นการศึกษาแต่พร้อมกันพวกเราก็ไม่ได้ห่างเหินออกจากทางด้านจิตใจอีกทางด้านจิตใจพวกเราก็ตรวจตราให้มีหลักไว้อยู่เสมอถ้าใจมีหลักใจเป็นสมาธิดีใจไม่ลวนเล ใจไม่ปุงฟุงซ่านใจอยู่กับตัวเองมีสติสัมปชัญญะคือจิตใจเฝ้าบ้านจิตใจไม่ปุงฟุงออกไปข้างนอกในเมื่อได้ยินเสียงอัดเสียงทำเสียงอะไรเข้ามาเสียงดีหรือไม่ดีเข้ามาเราก็แยกแยะเพราะเราเฝ้าอยู่ในบ้านอันนี้ควรจะยึดอันนี้ควรจะฟังอันนี้ควรจะนำมากันกรองไตรตรองด้วยเหตุและผล เพราะนั้นคนที่มีสติแล้วคนที่ฟังรู้จักแยกแยะอย่างนี้ต่อไปเราไปอยู่ณสถานที่ใดเมื่อได้ยินเสียงอะไรเราก็รู้สึกสามารถที่จะแยกแยะในเรื่องนั้นได้ผลที่สุดเมื่อแยกแยะแล้วมันเป็นสมบัติของตนเองทีนี้เพราะมันเข้ามาสู่จิตใจของเรามันไม่ใช่สมบัติของครูบาอาจารย์เป็นสมบัติของเราเอง เราไปณสถานที่ใดอยู่ณสถานที่ใดเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นมันจะวิ่งเข้ามาสู่ใจใจของเราก็จะแยกแยะปรับปรุงแก้ไขเรื่องราวต่างๆเพราะนั้นครูบาอาจารย์ที่ให้ธรรมะมาท่านก็ให้มาแต่ผู้ได้สมบัติจริงๆก็คือพวกเราท่านทั้งหลายเพระาะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายเมื่อฟังสิ่งไหนก็ตามอย่าไปฟังแต่สักว่าฟัง ฟังให้นำมาคิดนำมาพิจารณาปรับปรุงกายวาจาใจของเราอย่างผมเนี่ยเป็นต้นแต่ผมอยู่กับองค์หลวงปูล่ลาศแต่สมัยเป็นเดนต่อมากับเป็นพระหลวงปูบ่บรรดาการพูดการแนะแนวผมว่าไม่มีองค์ไหนที่จะเกินหลวงปูล่ลาศอีกอย่างหนึ่งคงจะเป็นอุปนิ ส, สยัยและเป็นนิ ส, สัยของท่านเป็นคน ท, ทนีท่วนท่วนที มีอะไรท่านก็จะพูดจะเล่าให้ฟังพอระลึลกถึงเรื่องอะไรได้มาถ้าก็พูดให้ฟังแต่สมัยเราเป็นเด็กเราก็ลำคาญในการได้ยินได้ฟังเพราะท่านพูดบางทีเอาเรื่องเก่ามาพูดมาก็แยกแยะให้ฟังอีกคราวนี้แยกแยะมุมหนึ่งแต่คราวหน้าแยกแยะมุมหนึ่งแต่เป็นเรื่องเก่าตอนนี้เราฟังหลายครั้งตัวหลายหนเราก็รู้สึกว่ า, mm hmm. เ, าเบื่อแต่ก็ไม่แสดงอกับกิริยา แต่ฟังฟัๆวะทำไมทำไมตลวงปู่ทำไมพูดบ่อยนักอย่างนี้เป็นต้นแต่ตามไม่จริงการพูดของท่านน่ะท่านย้ำอยากจะให้พวกเราได้ยินได้ฟังเนี่ยเข้าใจเข้าใจแล้วแต่แยกแยะแต่ผลที่สุดก็ยังเป็นอย่างที่ท่านพูดจริงๆท่านพูดต่อหลายครั้งต่อหลายหนพอทุกวันนี้ที่เรามาเป็นผู้ใหญ่เรามาถึงระดับนี้ พอเรานึกย้อนไปอย่างที่องค์หลวงปู่ล่าที่ท่านแนะนําสั่งสอนเราก็ยกมือท่วมหัวเลยโอ้มีคุณค่ามีประโยชน์จริงๆสําหรับพ่อแม่ครูบาจารย์ที่ท่านแนะนําสั่งสอนถ้าครูบาจารย์ไม่บอกไม่กล่าวไม่แนะนําสั่งสอนแล้วเราจะได้รับความรู้ความฉลาดขึ้นมาได้อย่างไรอันนี้ท่านบอกท่านแนะแนวหลายๆชั้นเชิงหลาย ๆ, ๆแนวทางที่ให้เราได้คิด กลองไตรตรองด้วยเหตุและผลที่ท่านได้แนะนำไปแต่ท่านได้อะไรเถเีเมื่อท่านแนะนำไปแล้วเห็นไหมหลวงปู่ท่านก็ไม่ได้อะไรท่านก็จากไปแล้วแต่ความรู้ความรอบครอบนั้นมันมาอยู่ที่ใจของเราเราไปนสถานที่ใดวิธีการจะพูดพูดอย่างไรวิธีการที่จะปฏิบัติกับคนนั้นปฏิบัติอย่างไรสิ่งเหล่านั้นมันอยู่ที่ตัวของเราเถน มันเป็นสมบัติของเราเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันที่มาอยู่กับผมผมไม่ได้มุ่งหวังวัดพวกท่านทั้งหลายมาอยู่แล้วจะให้ปฏิบัติเอาอกเอาใจผมไม่ใช่ผมแนะนําสั่งสอนให้ความรู้ความฉลาดเข้าสู่จิตใจของพวกท่านให้เป็นสมบัติของพวกท่านเพราะพระพุทธศาสนาไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดต้องอาศัยการสืบทอดสืบทอดไปเรื่อยๆถ้าว่าพวกเรา ยุคใดสมัยใดพระรอบคอบมีฮิริอตตะปะมีมารยาทที่ดีไปในสถานที่ใดจดทธายาตโยมพุทธบริษัทสี่ยอมรับว่าเป็นผู้มีนิสัยดีมีมารยาทดีมีความสามารถเพราะพุทธศาสนาในยุคนั้นก็มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองแต่ถ้าว่ายุคใดสมัยใดมีแต่ ใช้นักรงนักเรงพูดยาพาทีไม่มีสัมมาคารวะไม่มีฮิลีโอตตะปะการประพฤติตนก็เป็นอรัตชีอริจิตาเป็นผู้ไม่มีอย่างอายไม่ครบในศิลและวินัยในคราวนั้นยุคนั้นสมัยนั้นก็เป็นที่เอื่อมละอาของพุทธบริษัทเหมือนกันเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้อยากจะให้หมู่พวกเพื่อนทุกองเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาขอให้มี ขันติคือความอดทนแล้วก็พร้อมกันก็ให้มีให้ศึกษาศีลและวินยัยให้มีมารยาทที่ดีให้มีสัมมาคารวะให้รู้จักผู้น้อยให้รู้จักผู้ใหญ่การพูดจาพาธีให้รู้จักผู้มีอายุพรรษาอย่าไปพูดแบบไม่รับผิดชอบจะพูดอะไรก็พูดตามที่หลวมปากกมาแล้วก็พูดเลย อันนั้นใช้ไม่ได้นะไม่ใช่เรื่องของพระโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ใช่เรื่องของพระกรรมฐานอีกต่างหากนมันไม่ถูกต้องแต่ทุกวันนี้รู้สึกว่าจุดนี้รู้สึกว่าเกลื่อนขึ้นมาเรื่อยๆอย่างที่ผมเห็นการเคารพกูบาอาจารย์รู้สึกว่าน้อยล่อยหลอลงไปเรื่อยๆเห็นทั้งเห็นทั้งได้ยินยุคนี้สมัยนี้ทําไมเป็นอย่างนั้นก็ไม่รู้ พระรู้สึกว่าแข็งกระด้างขึ้นไปเรื่อยๆมันไม่เป็นผลดีต่อพระเองไม่เป็นผู้นิต่อพระพุทธศาสนาไม่เป็นผลดีต่อวงการสงฆ์ถ้าว่าอ่อนน้อมอ่อนน้อมอย่างไรก็ว่าอ่อนน้อมใกล้กับว่ารู้จักการะเทศะบุคคลการสถานที่บุคคลบุคคลเช่นใดควรจะแสดงความเคารพการะวะบุคคลเช่นใดควรจะแข็งเก้าหรือประนาม ในเมื่อทําไม่ถูกต้องไม่ใช่ว่าเราจะอ่อนทุกอย่างไม่ใช่ว่าเราจะแข็งทุกอย่างเราต้องรู้จักพิธีการวางตัวเพราะฉะนั้นขอให้พวกเรานะพู้ทางนี้ทางนั้นไม่ยึดหลักยึดหลักธรรมละยึดหลักฟีไนเข้ามาสู่ตัวของเราอย่าไปใช้แบบทิฏฐิมานะของตัวเองทิฏฐิคือความแข็งกระด้างนะ ทิศที่คือความเห็นทุกคนก็ต้องมีความเห็นแต่มานะคือความแข็งกระด้างตัวนี้น่ะต้องระวังต้องระวังการใช้มานะน่ะถ้าว่าใช้ถูกมันก็ดีทําไมจะว่าดีความแข็งกระด้างคล้ายๆกับว่าถ้าหาว่าตัวนี้มันถูกต้องมันเป็นธรรมเราก็ต้องเชื่อมั่นในตัวเองต้องเด็ดเดี่ยวต้องปกป้องต้องรักษา ด้วยความสัตย์ความจริงหัวเด็ดตีนขาดไม่ให้ขาดตกปกป้องเพราะอันนี้คือหลักพระธรรมวินัยใครจะมาหลบรลูไม่ได้อันนี้คือคือบอกต้องแข็งต้องปกป้องให้ได้อันนี้ก็เป็นส่วนดีแต่ว่าอ่อนปวกเปียกไปหมดทุกอย่างมันก็ไม่เป็นผลดีอีกเหมือนกันเพราะว่าหลักของพุทธศาสนาจุดที่แข็งก็ต้องแข็งจุดที่อ่อนก็ต้องอ่อน แต่ว่าการแข็งหรือการอ่อนจุดนี้นะบางคนถ่านิสยัยไม่รอบครอบหรือสโง่พูดง่ายๆแข็งไปหมดไม่รู้จักสูงไม่รู้จักต่ำอันนี้ไม่ถูกต้องเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้อยากจะให้หมู่พวกเพื่อนที่มาศึกษากับผมมาอยู่กับผมเนี่ยให้รู้จักนอะผมไม่ชอบนิสัยแข็งกระด้างแต่นิสัยอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็ มีความจริงจังและจริงใจให้รู้จักผู้น้อยให้รู้จักผู้ใหญ่อายุพรรษาให้เคารพซึ่งกันและกันผมก็ยังเคยยกเป็นชาดกขึ้นมาขนาดสัตว์ที่ถ้าฉนก็ยังรู้จักช้างลิงนกกระทาก็ยังเคารพกันเราเป็นพระในพระพุทธศาสนาได้ฟังทมความสอนของพระพุทธเจ้าแท้ๆเราจะทำยังไง เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะสํารวมระวังแต่ว่าทุกคน เ, เพียบพร้อมไปด้วยความดีทุกอย่างอันนี้ก็คงจะเป็นไปได้ยากแต่ถึงยังไงให้มีความดีให้มากไวแน่ดีกว่ า, าดีกับเร็วถ้าเรามาปฏิบัติถึงขนาดนี้แล้วเราจะไม่รู้หรือว่าดีหรือเร็วถูกหรือผิดควรจะทำยังไงควรพูดยังไงแต่บางคนกับพูด นิสัยพูดพลอพลอยๆพูดเอาดีใส่ตัวเอาช่วยใส่คนอื่นอันนั้นก็มีมากต่อมากเหมือนกันเวลาคู่คนเขามาหาคนนั้นนะตำหนิคนอื่นแล้วก็เอาความดีมาใส่ตัวเองตามไม่จริงถ้าพูดอย่างนั้นมันไม่ถูกใครทขาว่าทึกยังไงจะไปเหยียบย่ําคนอื่นเขาถึงจะยกตัวเองก็ยกไปเลยแต่จะไปเหยียบคนอื่น การเยียบคนอื่นนั่นแหะเป็นวาจาที่ไม่ดีไม่สุภาพไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมไปที่ไหนขยะขยแยงกันไป็นตัวทุกแห่งหนเพราะชอบเอาคนอื่นมาทำร้ายทำลา ย, าายอย่างนั้นเคยมีนะมามากอยู่นะเคยได้ยินมามากต่อมากเพราะสิ่งเหล่านี้ให้พวกเราสำรวมให้ระวังเป็นพระด้วยกันอยู่ด้วยกันด้วยความป ร, รักด้วยความเมตตา เข้าไปตั้งกายกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนพิกษุสัมมณเนรช่วยเหลือกันกายกรรมเข้าไปตั้งวิจีกรรมประกอบด้วยเมตตาคือแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนที่ไม่ไมรู้เราก็พยายามแนะนำสั่งสอนด้วยจิตเมตตาเท่าเข้าไปตั้งมนโนกรรมในเพื่อนพิกษุสัมมเณรถึงจะอยู่ห่างไกลกันก็มีเมตตาต่อกัน มีน้ำใจต่อกันจะช่วยเหลือเจือจานทึ่ไหนได้มีน้ำใจอันนี้แปลว่ามนโนกรรมจากนั้นก็มีความเห็นทิฏฐิคือความเห็นเสมอกันกับภิกษุสา ม, มเณรอื่นคือไม่ขัดแย้งกันไม่ทะเลาะพิวาทกันอันนี้ก็มีศีลเสมอกับภิกษุสา ม, มเณรอื่นคือรักษาศีลบริสุทธิ์ เสมอกันกับเพื่อนภิกษุสัมมาณีอื่นไม่ใช่ว่าย่อหย่อนกว่าสั ม, มนเาณีอื่นในการรักษาศีลเขารักษาศีลอย่างหนึ่งตัวเองเขารักษาศีลอย่าย่อหย่อนกว่าเขาอันนี้ก็ทําให้หมู่พระณีเขาลังเกียจเดียวฉันเราได้อะไรกับแบงปันลาบที่ตนได้มาโดยชอบธรรมให้แก่เพื่อนภิกษุสัมมาณีไม่หวงไว้บริโภคเฉพาะผู้เดียวอันนี้แหละสารานิยธรรม ทำเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวของหมู่ของคณะที่อยู่ด้วยกันถ้าคนเราพระเรามีสารานิยธรรมประจําใจผมว่าอยู่มากน้อยก็มีแต่ความผาสุกน ะ, อ, ะอยู่ด้วความด้วยกันด้วยความผาสุกแต่ทางนี้ทางนั้นไม่ใช่ว่าพวกท่านทั้งหลายทะเลาะ บ, บ่อแว้งกันไม่ใช่ถึงพวกท่านจะออกจากที่นี่ไปอยู่ที่อื่นก็ตามหรือพวกท่านจะอยู่ที่นี่ด้วยกันก็ตาก ให้มีทำคือสารานิะธรรมในจิตในใจอยู่ในใจไว้เสมอนั่นแนหะพวกท่านจะอยู่ด้วยกันมากน้อยก็มีแต่ความร่มเย็นเป็นฉุขท่วนหน้ากันแต่ถ้าว่าพวกเราอยู่ด้วยกันมองกันไม่ดีมีเรื่องอะไรก็มีแต่โมโหโกธาให้แก่กันนใช้ไม่ได้นะถึงยังไงมันผิดยังไงก็ให้อยู่ในใจไว้ก่อน ให้ดูซะก่อนดูเหตุดูผลซะก่อนจากนั้นยังค่อยมีเรื่องที่จะออกมาค่อยออกพูดออกมาแนะนําออกมากล่าวสอนออกมาถ้าหาว่าพวกเรามีอะไรขึ้นมากิดขันติไม่มีในจิตในใจมีแต่เรื่องโป่ง ป, งปางออกมาเรื่อยๆทาให้เสียหายสะทานวันไหวไปเรื่อยหาความสงบร่มเย็นเป็นถุขไม่ได้ อันนันสิ่งเหล่านี้ให้พวกท่านทั้งหลายระมัดระวังนะระมัดระวังอย่างมากเป็นพระเป็นเรื่องละเอียดอ่อนพระสง์องค์เจ้าเนี่ยให้สำรวมให้ระวังตามตามไม่จริงคนเรามันก็ต้องมีผิดมีถูกนั่นแนหะแต่ถ้ามันผิดมากแต่ว่ามันก็ต้องรู้อีกบวกลบคูณหารดูอีกเหมือนกับผมได้อ่านในพระไตรปิฎก เป็นชาดกก็น่าคิดอเพราะสับซอนเป็นชาดกอ่เพราว่าขันติชาดกทำไมจึงว่าขันติชาดกก็คือมันมีเรื่องที่จะต้องอดกั้นมันจะต้องมีเรื่องอดกั้นขันติทั้งที่มันเจ็บอกเจ็บใจแต่ก็ต้องมีขันติเนี่ยเพราะว่ามองเห็นว่ามันจะเกิดประโยชน์แต่ส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งมันมีโทษอแต่ว่า คุณกับโทษต้องเอามาชั่งใส่กันซะก่อนอันไหนหนักอันไหนเบาผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่ต้องชั่งน้าหนักอันไหนหนักอันไหนเบาแต่ถ้ามันหนักก็ยังว่ามันก็ต้องตัดทิ้งแต่นี่มันก็ไม่ถึงมันหนักทั้งคู่แต่ก็อึดอัดมันก็ต้องอยู่ในใจซะก่อนคิดซะก่อนว่าจะจะทำยังไงในเรื่องเช่นนี้จึงจะถูกต้องคะนี่อันนี้ผมได้อ่านใน ชาดกนะเขามีพระราชาพระองค์หนึ่งคือพระเจ้าพรารานสีวะนะพระเจ้าพมทัตของราชสมบัติอยู่ในกรุงพรารานสีพระองค์มีอํามาตย์อยู่คนหนึ่งแต่เป็นผู้ฉเฉลียวฉลาดรับหน้าที่การงานบ้านเมืองดีมากแต่เป็นคนเจ้าชู้อะอํามาตย์คนนี้เป็นคนเจ้าชู้แต่นี้ก็ ไปเจ้าชู้กับสนมของพระราชาพระราชาเ้าอึดอัดคนก็ได้ยินคนบอกเข้ามาพระราชาพระราช า, าอึดอัดแต่นี้พระราชาเขาเอ๊ะถ้าเราจะพูดไปอํามาตย์นี่ก็เป็นคนทําการทํางานต่อประเทศชาติบ้านเมืองมีคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติแล้วจะทำยังไงถ้าเราจะจัดการเถอะลงโทษเถอะ ประเทศชาติมันก็ต้องอาศัยผู้ที่มีความตั้งใจทำการทำงานแต่สวนอื่นเขาดีหมดแต่เจ้าชู้จุดนี้แหละเรารับไม่ได้พระราชาแต่ก็อยู่ในใจแปลว่าไม่ทำอร่อยอยู่ในใจของพระราชาต่อมาอีกอามาตย์คนนั้นก็มีคนใช้ในบ้านอีกเหมือนกันเลยคนสวน คนดูแลบ้านผู้ชายคุณสวนไปเจ้าชู้กับคนครัวของตอนเองอีกพอตัวเองรู้เท่านั้นแหละทนี่โอ้โหโกรธให้คนสวนจนตัวสั่นเหมือนกันพูดอะไรไม่ออกผลที่สุ่ก็จับคนนั้นมาหาพระราชาเพื่อจะเอาลงโทษพอมหาพระราชาก็บอกว่าเนี่ยคนสวนของข้าพระองค์เนี่ย ใ้เจ้าชู้ไปเจ้าชู้กับคนทำครัวของข้าพเจ้าแต่ว่าคนสวนคนนี้มันขยันมากฮารที่ตําหนิม่ได้ตั้งแต่คำว่าเบื่อการเบื่องานไม่มีให้ทําอะไรทําได้ดีทั้งหมดแต่การทําอย่างนี้มันไม่ถูกต้องมันผิดศีลธรรมด้วยแล้วก็ไปทําได้ยังไง ทางพระราชาก็ได้ยินมันก็เข้าข่ายเลยเข้าข่ายกับอามาตย์คนเนี้ทำ เ, เจ้าชู้กับสนมของพระองค์พระราชาก็บอกว่าในวังของเราเนี่ยก็มีเหมือนกันนะ อ, อามาตย์มันเจ้าชู้กับสนมนะแต่เราก็ไม่รู้จะทำยังไงแต่เขาก็เป็นคนดี ทุกอย่างเขารับผิดชอบดีแต่ว่าอย่างเนี้ยหละเราก็า อ, อึดอัดเราก็าไม่รู้จะทํำยังไงท่นนี้พออํามาตย์คนนั้นได้ยินเท่านั้นแหละเออแต่โอ้โหการกระทําไม่ใช่ว่าคนสวนกระทําอย่างนั้นเราก็า อ, อึดอัดแต่เราไปทำละ่ะพระราชาไม่อึดอัดเหรอะจากนั้นอํามาตย์คนนั้นก็บอกตั้งแต่บัดนี้ไปนึกในใจนะเราเข้าไปเจ้าจะเป็น คนดีจะไม่ให้มีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นคนสวนก็บอกว่ากระผมยอมสารภาพจะไม่ให้มีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นท่านก็เลยสรุปว่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนเรานี่จะดีไปหมดทุกอย่างเป็นไปได้ยากท่านดีทุกอย่างนั้นนะเลิศประเสริฐแต่อันนี้มันดีไปอย่างหนึ่งมันก็เลวอีกอย่างหนึ่งแต่ว่าถึงยังไง ผู้เป็นผู้ใหญ่เนะี่ยผู้เป็นพระราชานะ่ยผู้ปกครองนะก็ต้องมาบวกลบคูณหารกันอีกว่าที่เขาทำจุดนั้น่ะที่มันทำความชั่วเสียหายจุดนั้นกับเรื่องที่มันรับผิดชอบของบ้านเมืองเรื่องใหญ่ของบ้านเมืองนั้นอันไหนมันหนักหนากว่ากันถ้าว่ามันมีประโยชน์มากกว่าผู้ใหญ่ต้องอดทน แต่เหลือบากว่าแรงเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นยวค่อยว่ากันแต่ถ้ายังไม่ถึงเหลือบากว่าแรงก็ต้องอดทนไปก่อนทั้งที่รู้รู้ทั้งรู้ว่าอันนี้มันไม่ถูกต้องนะนี่แหละดิทานหรือชาดกในเรื่องนี้เป็นคติสอนพวกเราท่านทั้งหลายสรุปแล้วก็คือผู้ใหญ่ก็อยู่ในความอดทนในระดับหนึ่ง ผู้น้อยก็อยู่ในความอดทนในระดับหนึ่งแต่ถึงยังไงก็ให้มองเหตุมองผลมองหลักมองหลักคือความถูกต้องมองหลักสินมองหลักธรรมมองหลักธรรมพิ่นยอย่าไปทำในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องถ้าทาขึ้นมาแล้วก็มันไม่เป็นผลดีต่อวงการนี่แหละคือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าที่ท่านสอนไว้ในพระไตรปิฎกมันนำมาคิดนำมาพิจารณากันคลองไตรตอง เ, อเหตุและผลแล้วเป็นแนวความคิดที่ลึกซึง้งเอท่านไม่ให้ไปหน้าเดียวให้ไปลหลายหน้าแต่พอถึงหลายหน้าก็เตื่นแต่ให้อยู่ในหลักพระธรรมวินัยอย่างที่พระราชากับอมรต้องเอามาบวกลบคูณหารความดีกับความชั่วของเขานั้น อันไหนมากกว่านี่พราชาบวกลบคูณหารโนแล้วว่าความดีของเขาเัอมากแต่ความชั่วของเขาก็มีอยู่อย่างเนี้ยแต่อึดอัดไหมอึดอัดแต่ก็จะทำยังไงเอาไว้ก่อนนี่แหละอันนี้ก็คือสรุปแล้วท่านก็บอกว่าคนเราเนี่ยจะหาคนดีเพียบพร้อมด้วยความดีหมดทุกอย่างมันหายากมันดีตัวหนึ่งมันก็เสียตัวหนึ่ง แต่ว่าตัวเสียนะก็เอาทำไม่ไม่เสียจนเกินไปพักไว้ก่อนอันนี้ก็คือในหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนาน พ, รพระองค์ที่ท่านสอนเอาไว้เป็นแนวความคิดของพวกเราทั้งนั้นเะนขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะหมู่พวกเพื่อนทุกองคสรุปแล้วก็คือเรามาบวชมาเพื่ออะไร ให้ถามตนเองเราบวชมาคราวนี้เราบวชมาเพื่ออะไรทางโลกเราก็ผ่านมาแล้วหลายหลายอย่างแต่บัดนี้เราเข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมเราจะชำระใจของเราอย่างไรตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พาชำระที่ท่านได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลเป็นพระอาริยบุคคลเป็นพระอรหันต์ดง่ายๆอัติธาตุของท่านได้เป็นพระธาตุให้แก่พวกเราได้เห็น ได้ดูได้เห็นนั่นแหะคือพระาธาตุของพระอรหันต์แต่พวกเราก็ถึงจะโง่อย่างไงก็ตามเราก็พยายามเดินตามแนวแถวเพื่อเราจะได้สาเร็จมรรคสาเร็จผลตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดำเนินท่านพาดำเนินอย่างไรนั่นแ่ะท่านเขาบอกมีมากมายอดนอนผ่อนอาหาร การอยู่การฉันให้ระมัดระวังการหลับการนอนให้ระมัดระวังการพูดการคุยให้ระมัดระวังการครบค้าสมาคมให้ระมัดระวังการงานสิ่งไหนที่มันเกินไปก็ให้ระมัดระวังแต่กิจจวัดข้อวัดปัดกวาดทําความสะอาดคือหน้าที่ของพวกเราอันนี้ต้องทําอันไหนควรทําอันไหนไม่ควรทําเราก็ต้องดูอีกจากนั้นก็ พวกเราจะปฏิบัติตนอย่างไรเวลำเวลาควรมีกฎของมีระเบียบกับตนเองอย่างไรควรเดินจโกมนั่งสมาธิภาวนาอย่างไรแต่ละวีแต่ละวันต้องตรวจตราดูเราไม่ได้บวชมาเพื่อหาอยู่หากินทําการทำงานอย่างอื่นการงานอย่างอื่นเราลดละหมดแล้วเราไม่ได้ทําไรทํานาทำรั้วทำสวนทาราชการงานเมืองเราทิ้งไปก่อนคราวนี้เรามาภาวนา มาดูใจของตนเองท่านทํายังไงท่านให้ดูใจเดินยังไงเดินจงกลมขวาขาพดขาซ้ายโถให้มีสติสัมปชัญญะในการก้าวเดินอันนี้แหละคือการเดินการนั่งพยายามนั่งกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกนั้นๆในเมื่อใจของเราไม่คิดไปข้างนอกข้างหน้าข้างหลังใจอยู่กับตัวเอง จากนั้นใจมันก็รวมสงบในเมื่อจิตใจของเรารวมสงบเราก็จะรู้เห็นตนเองนะเหมองตนเองได้เห็นตนเองเห็นอะไรเห็นความไม่เที่ยงเห็นอนิจจังร่างกายของเราสมัยก่อนเราเป็นเด็กตัวเล็กๆต่อมาก็ใหญ่ขึ้นมาเรื่อยต่อมาก็แก่เจ็บแล้วก็ตายเขาเห็นตายให้เราเห็นอยู่ไม่วันใดก็วันหนึ่งเราก็จะต้องไปอย่างที่เขาตายให้เห็นนะ่นแหะ เพราะนั้นเรานะเราอยวตั้งอยู่ในความประมาทนะเราอันนี้คือคือให้สอนตนเองเอาไว้ให้ภาวนาเอาไว้ให้ดูตัวเองเอาไว้ตายแน่ๆไม่เป็นอย่างอื่นการตายนี่ไม่ใช่เราเอาความตายมาขู่กันไม่ใช่เพียงแต่ว่าบอกให้ฟังว่าทุกคนมันเป็นอย่างนั้นจริงใช่ไหมมันเป็นอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนใช่ไหมที่ท่านแนะนำสั่งสอนนเป็นความจริงใช่ไหม เมื่อเป็นความจริงแล้วจะว่าขู่กันได้ยังไงเอาความจริงมาพูดให้กันฟังเอาความจริงมาเปรียบเทียให้กันฟังว่าพวกเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะอีกสักวันหนึ่งนะ่ะพวกเราจะต้องกลีกลีหนีไม่พ้นนะเรื่องมรณะภัยตายแล้วไม่สูงนะตายแล้วเกิดอีกถ้าพวกเราอยากจะรู้นั่งภาวนาจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วเราจะรู้ได้ด้วยตนเองกายกับใจอาศัยกันอยู่ เห็นชัดเจนเพราะฉนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนําท่านสอนแล้วให้เรานั่งยังไงเราจึงจะรู้ว่าใจของเราเป็นยังไงกายของเราเป็นยังไงถ้าจิตใจของเรารวมสงบลงเป็นหนึ่งเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่ากายกับใจนั่ะเห็นได้ชัดอมันคนละอย่างกันแต่ในี้ใจตอนนั้นเราจะทํำยังไ ง, งวิธีการเดินต่อไปวิธีการแก้ไขใจของตนเอง นี่แหละท่านให้เอาใจตรงนั้นมาพิจารณาให้เห็นโทษแล้วก็เห็นคุณในธรรมและเห็นโทษในกิเลสกิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะโมหะมันเป็นพื้นฐานเดียวแล้วกิเลสโทสะก็คือความไม่พอใจอารมณ์โมโหโกธาอันนี้กิเลสราคะเนี่ยก็คือความหวานในจิตในใจหวานเยิ่มในจิตในใจกิเลสตัวราคะ ตัวนี้เป็นตัวที่ติดพบติดชาติถ้ากําจัดกิเลสตัวราคะได้ตัวเดียวเท่านั้นนหะไม่ลงมาเหยียบแผ่นดินอีกพระอนาคามีคือตัดราคะได้เด็ดขาดตัดราคากระโทสะพระอนาคามีตัดราคากระโทสะได้เด็ดขาดยังเหลือแตมโม่โมหะโมหะคือเกลือตัววิ ช, ชายังมีอยู่เบาบางในจิตใจของพระอนาคามี เพราะนั้นท่านจึงไปขึ้นไปชมละอยู่บนชั้นพรมอ่อาวิหาอัตปาสุสาสุเสียกนิฐานะชั้นพรมพรมเป็นที่อยู่ของพรมนี่แหละมาพูดถึงเรื่องพรมพรมคานี้เนะี่ยพระพุทธเจ้าขึ้นไปอยู่พรมมากตัวมากชาติไหนที่ท่านเป็นฤาษีอยู่ในป่านะชาตินั้นแหละท่านขึ้นจะขึ้นไปจู่พรมเพราะท่านภาวนา ท่านภาวนาแนหะท่านจะจะขึ้นไปสู่พรมแนหะแต่ท่านบําเพ็ญเป็นพระราชา เ, าเป็นพระราชาแล้วเป็นเศรษฐีเนี่ยท่านจะขึ้นไปสู่สวรรค์เป็นสวนมากเพราะท่านไม่ได้ภาวนามีแต่ท่านบําเพ็ญให้ทานรักษาศินสงเคราะห์อนุเคราะห์คนท่านจะขึ้นไปสู่สวรรค์เป็นสวนมากแต่ชาติไหนที่ท่านไปบําเพ็ญตะปะอยู่ในป่ารงพงไพไปนั่งภาวนาอยู่ในป่ารงพงไพาชาตินั้นนะ่ะท่านจะได้ ขึ้นไปเกิดเป็นพรมอยู่ชั้นพรมนานเท่านานแต่พระโพธิสัตว์จะอยู่พรมไม่นานเพราะท่านจะต้องลงมาบ่มเพนบ่มเพญโพธิญาณคือบ่มเพนพระโพธิสัตว์ขึ้นไปพักชั่วระยะหนึ่งก็ลงมาไปสวรรค์ก็ไม่นานไปตกนรกก็ไม่นานพระโพธิสัตว์แต่ถ้าว่านอกจากนั้นไปแล้วไม่ใช่พระโพธิญาณโดยมากจะไปอยู่นานไปอยู่อะไรก็เป็น ตกนรกก่อนนานไปสู่สวรรค์ก่อนนานไปเป็นพรหมก่อนนานใชเพราะเหตุไรเพราะไม่มีจุดหมายปลายทางแต่สําหรับพระโพธิสัตว์แล้วท่านมีจุดหมายปลายทางท่านไปอยู่นสถานที่ใดข้าพเจ้าขอปาถนาเป็นโพธิญาณบินญาณในใจของท่านแนว่วแ น, วแ น, วแนว่มั่นคงอยู่อย่างนั้นต้องการโพธิญาณคือต้องการเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตอันนี้คือพระโพธิญาณอันนี้ดูสีก็เหมือนกันท่านไปอยู่ในป่า คมเพ็งอยู่ในป่าท่านนั่งภาวนาท่านเกิดฌานในญาณทัศนะเกิดฌานขึ้นมาพอตายปุ๊บท่านก็ไปสู่พรหมทันทีเลยในชาติหนึ่งก็เหมือนกันท่านเป็นลูกของพราหมณ์อยู่ในเมืองพราราณสีท่านก็ห น, นีออกไปบวชในป่าหิมพานต์ก็มีพวกบริวารไปบวช ด, ด้วยติดตามออกไปบวช ด, ด้วยห้าร้อยบริวารของท่านห้าร้อย แต่ท่านไปบำเพ็ญจนจิตใจของท่านว่างจนไม่มีอะไรในใจแม้แต่น่อยเดียวในความคิดท่านไปบำเพญ็ญต่อมาลือสีอยู่ด้วยการห้าร้อยอีกลือสีที่เป็นลูกศิษย์ผู้ใหญ่กระบอกโอ้ท่านอาจารย์กระผมจะขอไปจำพรรษากรุงพาราณาสีเพราะมีกิจธุระเกี่ยวกับ วงสาขนาญาตลักษณะอย่างนั้นทางฤาษีที่เป็นอาจารย์เออกระไปกรไปเซแต่อาจารย์เนี่ยพูดให้ฟังแต่ลูกศิษย์ให้ฟังอยู่เสมอว่าเราเนี่ยนะไม่มีคุณธรรมนะใจของเราไม่มีคุณธรรมอะไรเลยนะว่างนะไม่มีอะไรใจของเราไม่มีอะไรแต่นี้กับพอลูกศิษย์คนใหญ่ไปไปอยู่ในเมืองห่างไกลเดินทางไป กว่าจะไปถึงเมืองพลานาศีก็เป็นหลายเดือนกว่าจะไปถึงได้เราไปจำบรรษาแล้วเขไปอยู่ด้วยจับกรพมาก็ไม่ได้จําบรรษาอาจารย์อยู่ทางนี้ก็อายุมากแล้วกับบริวารอีกสองห้าสบแบ่งครึ่งกันแต่เนี้ก่อนที่อาจารย์จะตายลูกศิษย์ก็ถามท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์มีคุณธรรมมีฌานมีญ า, าทณทัศนะ มีสมาธิมีฌานอะไรบ้างท่านอาจารย์อาจารย์ก็บอกว่าเออท่านทั้งหลายเราไม่มีทำอะไรเลยเราไม่มีคุณธรรมอะไรเลยในใจของเราใจของเรามันว่างมันไม่มีอะไรแม้แต่น้อยเดียวไม่มีไม่มีอะไรอยู่ในใจของเราเพราะนั้นเราจึงไม่มีเราไม่ได้จืดติดอะไรทั้งหมดมันใจของเรามันไม่มีอะไรไม่มี ทำอะไรไม่มีอะไรคุณธรรมอะไรในใจของเราเลยแต่นี้กับพอจากนั้นมาอาจารย์เ็าเลยมรณภาพตายพอตายไปแล้วพวกที่อยู่สองร้อยห้าสิบคนเนี่ยเป็นลูกศิษย์อยู่กับอาจารย์โอ<ฮ>้ยอาจารย์ไม่มีคุณธรรมอะไรไม่มีคุณภาพอะไรเหมือนเหมือนกับหมาตายลักษณะอย่างนั้นไปจาัด ก, การเผาธรรมดาอาจารย์ตายแล้วอะไรไปเผา พอเผาเสร็จแล้วอาจารย์ก็ป อ, อ, อมละนาผ้ามันก็นุ่นขึ้นไปอยู่ชั้นพรมอจินจัญญายตนาพรมคือพรมที่ไม่มีชัญญยาเขไม่ใช่ชัญญาไม่ใช่ไม่ใช่ชัญญยาเขไม่ใช่ให้เข้ามาปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่มีสัญญาแต่นี้พ่อเนีน่จัดเผาอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ลือสีที่อยู่ในเมืองก็เข้ามาไลยมาคิดว่าจะมาคิดถึงอาจารย์แล้วเกิน มาเยี่ยมอาจารย์พอเขามาหาอาจารย์อาจารย์ตายแล้วอาจารย์และพวกท่านจัดการยังไงกับศพอาจารย์โออาจารย์ก่อนที่จะตายก็ถามแล้วบอกว่าอาจารย์มีคุณธรรมอะไรในใจอาจารย์บอกว่าไม่มีเราไม่มีคุณธรรมอะไรในใจใจของเราแม้แต่น่อยเดียวไม่มีอะไรแล้วพวกท่านทั้งหลายทําังไงก็จัดการเผาธรรมดาดีแล้วไม่ได้บูชาไม่ได้ทาอะไรเลยจัดมากับเผาเออ เหมือนกระเพาสัตว์สาลาสิงเนี่แหละทางอาจารย์ทางลูกศิษย์ผู้ใหญ่มาจากในเมืองโอ้โหพวกท่านคํำว่าอาไม่มีทำในใจจุดนี้นะ่ะพวกท่านตีความหมายผิดเสียแล้วอพวกนั้นก็เสียงคอเป็นเอ็นเหมือนกันเหมือนกันเลยลูกศิษย์ต่อลูกศิษย์เถียงกันอแตอ่ลูกศิษย์ผู้ใหญ่ที่ไปในเมืองเอามาเถียงมาบอกแต่พวกนั้นก็ไม่ยอมรูกเดียวเพราฟัง ใส่หูทั้งสองข้างว่าอาจารย์ไม่มีอะไรนะจากนั้นอาจารย์อยู่ที่อยู่ชั้นพรมอาจินย์จัญญายตนานะลงมาการอากาศแผ่แสงสว่างออบริเวณนะ เ, ออเห็นได้ชัดเลยว่าือนนเถอะมองไปเห็นพรมท่านพรมท่านก็นบอกว่านี่นะพวกท่านทาั้งหลายเราเนี่นะเป็นอาจารย์ของพวกท่านเป็นฤาสีตายไปแล้ว เดินนี้ไปอยู่อจินจรญายตนะพรมในใจของเราไม่มีอะไรใจของเรามันว่างมันว่างทั้งหมดไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นเราจึงว่าในใจของเราไม่มีอะไรไม่มีอะไรติดอยู่ในใจของเราเลยเพราะฉะนั้นเราจึงใจว่างจากนั้นเราก็ขึ้นไปสู่พรมเพราะนั้นพวกท่านทั้งหลายถึงพวกท่านทั้งหลายจะอยู่กับเราเป็นร้อยเป็นพัน ก็สู้ผู้ที่เข้าใจในธรรมของเราที่เราพูดให้ฟังคนเดียวนั่นแหะประเสริฐกว่าพวกอยู่ทั้งเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นจะหาความประเสริฐได้ที่ไหนเพราะไม่รู้ความหมายในการที่เรากล่าวจุดนั้นคืออะไรถ้าผู้ที่มีปัญญาได้รู้ว่าความหมายในจุดนั้นคืออะไรนั่นแหละผู้นั้นแหละคนเดียวนั่นแหละประเสริฐกว่าคนเป็นหมื่นเป็นแสนจากนั้นผมก็หายปับ เข้าสู่พรมต่อนี่แหละพระพุทธองค์ท่านก็บอกว่านี่แหละสมัยนั้นเราเป็นพรมภาษาลิบุตรเนี่ยเป็นลูกศิษย์ผู้ใหญ่ในยุคสมัยนั้นแต่มายุคนี้สมัยนี้สาริบุตรก็เป็นผู้มีปัญญาเรากล่าวเพียงคําเดียวสาริบุตรก็อธิบายให้พระสงฆ์ฟังได้ชัดเจนเราก็มารับรองว่าพระสาริบุตรพูดยังไงที่พูดไปนั้น ถูกต้องสอารีบุตรเขาเราพูดก็พูดอย่างสารีบุตรพูดนี่แหละนี่แหละไม่ใช่แต่ยุคนั้นไม่ใช่แต่ยุคนี้สารีบุตรแต่สมัยเขาเป็นปุตตุชนเขายังไม่ได้สําเร็จมรรคผลเขาก็เป็นผู้มีปัญญ า, รายยพระโพธิเจ้ายกย่องภาษาริบุตรนี่แหละสรุปแล้วก็คือมีบริษัทบริวารถึงจะมากมายขนาดไหนก็ตามผู้มีปัญญา ท่านยกย่องผู้มีปัญญารอบรู้รู้จักอันไหนควรไม่ควรอย่างไรถูกต้องไม่ถูกต้องอย่างไรมีเหตุผลไม่มีเหตุผลอย่างไรดังนั้นท่านยกย่องบุคคลเช่นนั้นคือเป็นผู้เลิศประเสริฐแต่ถ้าว่าอยู่ด้วยกันชื่อบื้อไปเรื่อยมากขี้ควายหลายขี้ช้างอันนั้นพราะพระุทธเจ้าท่านตำหนิเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะ พูดทางนี้ทางนั้นนี่แหละคือชาดกเนะี่ยท่านสอนสอนให้พวกเราํำเนียด ก, กันกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลแต่ละคำพูดนะมีความหมายว่าอย่างไรแต่พวกเราไม่ได้กันกรองไตรตรองกัอย่างลูกศิษย์ของฤาษีที่อยู่ในป่าสองร้อยห้าสิบคนอาจารย์บอกว่าในใจของเราไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรจะมีอะไรไม่มีอะไร ก็บอกแล้วไม่มีอะไรแต่ว่าคำว่าไม่มีอะไรของอาจารย์นั่นน่ะคล้ายๆกับกว่าไม่มีกิเลสไม่มีความมืดดำไม่มีความติดใจในอะไรทั้งหมดแต่ในสมัยนั้นท่านเป็นพรมแต่ต่อมานี่มาถึงขั้นที่ ท, ท่านได้ตัดรู้เนี่ยท่านได้เป็นพระอรหันต์นี่ยตามที่ครูบาอาจารย์ที่ท่านบอกว่าคำว่าว่างคำนี้เนี่ยคืออะไร ลือสีท่านนท่านว่าว่างโอ้ห้องนี่ว่างเหมือนกับเข้าท่านเข้าไปอยู่ในห้องห้องสี่เหลี่ยมโอ้ห้องนี่ว่างจริงไม่มีอะไรห้องนี่ว่างไม่มีอะไรไม่มีอะไรเล ย, มมเลยแม้แต่น่อยเดียวว่างทั้งหมดแต่หลักธรรมคำสอนของพระพยายาุทธเจ้าว่างสมัยเป็นลือีกับว่างสมัยที่ท่านเป็น พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณมันว่างต่างกันคือว่างสมัยเป็นลือสีนั้นท่านเข้าไปยืนอยู่ในห้องแล้วโอ้ห้องนี่ว่างไม่มีอะไรห้องว่างแต่เมื่อท่านได้ตัดรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้ตัดรู้ทมได้พิจารณาอนิจจทุกขังอนาตาัตตาไตรลักษ์จนได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลนั่นคำว่าว่างคํานี้นคืออะไรท่านบอกว่าถ้ามีคนอยู่ในห้อง ยังตัวเองยังอยู่ในห้องจะวัดจัดว่าห้องว่างได้ยังไงถ้าอยากจะให้ตัวเองว่างก็ต้องออกจากห้องห้องนั้นจะว่างเต็มที่เพราะไม่มีอะไรอยู่ในนั้นอันนี้ห้องว่างว่างแท้จริงๆแต่ถ้าว่าตัวเองยังยืนอยู่ในห้องมองไปตะลอบข้างเฉยๆเ่าห้องว่างมันยังไม่ว่างเพราะเหตุไรเพราะตัวเองยังอยู่ในห้องอยู่เนี่อันนี้ก็คือว่างสมัยเป็นตืีศรีไพรกับว่างสมัยเป็นพระ อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณว่างของพระรหันต์กับว่างสมัยนั้นมันต่างกันไอจุดนี้พอเนี่ยให้พวกเราก็เปรียบเทียบให้ฟังให้เป็นแนวทางอีกเหมือนกันคำว่าว่างคำนี้กันว่างขนาดไหนนี่แหละทําใจให้ว่างทำปล่อยให้ปล่อยวางว่างไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นะกระทั่งตัวตนในขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะวันนีบอกแนว ความคิดให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษานะการกล่าวสมมูธธนิยคาถาในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาขอยุติเอาตอนนี้ไปนั่งสมาธินะั่นนี่นะ